วิธีจัดการความทุกข์กับสิ่งที่เป็นอดีตผ่านไปแล้วแต่ยังคงวนเวียนผุดขึ้นมาทำร้ายคุณอยู่ได้ไม่เลิกสิ่งดีๆที่ผ่านไปอาจเปิดทางให้สิ่งดีกว่าที่กำลังจะผ่านเข้ามาเรื่องดีๆในวันหน้ามักมีรากจากการที่วันนี้คุณต้องผ่านเรื่องไม่ดีด้วยความพยายามทำให้มันลงเอยดี อดีตที่ขมขืนยังดีกว่าวันนี้ที่เอาแต่จมอยู่กับอดีตที่ขมขืนอดีตที่ขมขืนมีข้อดีตรงที่มันผ่านไปแล้วแต่มีข้อเสียตรงที่มันทำให้ปัจจุบันของบางคนไปไม่ถึงไหนสักทีหากคุณมีความเคยชินที่จะเศร้าส้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรถูก ให้ปลูกฝังความเคยชินอย่างใหม่เมื่อมีอะไรเข้ามากระทบแล้วรู้สึกว่าจิตโดนขุดคุยเอ า, อาดีตตั้งแต่การไหนพอสอใดมาก็ไม่ทราบโถมเข้ามาก่อนที่จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทางอารมณ์ให้ตัดตอนเสียด้วยสติอย่าไปคิดต่ออย่าไปพยายามที่จะใส่ใจเข้าไปแล้วก็หมกมุ่นกับอาการที่เคยชินแบบเดิมๆคือกระทบปุ๊บ เกิดปฏิกิริยาเป็นความเศร้าปับ๊บอันนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะจัดการได้คือเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ก่อตัวขึ้นมาชั่วขณะที่เกิดอะไรมากระทบหูกระทบตาให้ระลึกถึงสิ่งนั้นเป็นเพียงเรื่องกระทบใจแล้วเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเป็นความเศร้าและเห็นว่าความเศร้านี้มันไม่ได้มีตัวตน ไม่ได้มีความเป็นตัวเราที่ยั่งยืนอยู่ในกายนี้ในใจนี้แต่มันเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีอะไรมากระทบเป็นของชั่วคราวดีวเดียวก็หายไปเห็นมันเป็นเพียงคลื่นรบกวนแบบมแมลงหวีมแมลงวันไม่สนใจมันก็หมดแรงดึงดูดให้เข้ามาตอมจิตเราไปเองถ้าเรามีสติระลึกได้แค่นี้ตัวสติที่สร้างขึ้นมา มันจะค่อยๆสั่งสมเป็นความเคยชินใหม่ที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าชีวิตคนลาดลงสู่ความลุ่มลึกของสิ่งที่ตัวเองทำมากขึ้นทุกทีความเบาตัวเบาใจไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญและหลายครั้งก็อาจเกิดขึ้นได้ง่ายๆจากการเรียนรู้ที่อยู่กับความหวานชื่นของการลืมอดีตที่ขมขื่น จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตให้คุม้มคือการทุ่มเท ก, กับการใช้ชีวิตขนาดนี้ไม่ใช่ใช้ชีวิตซ้ำอยู่ในหัวถ้าคิดจะทิ้งทุกอย่าเสียดายเหตุแห่งทุก